รู้เฉพาะตนโดยดังตรินตอนที่37เจริญสติเพื่อฆ่าตัวตายกรณีเฉพาะตนของเคซีเทอาชีพนักศึกษาปริญญาโทลักษณะางานที่ทำกำลังทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับมุมมองเปรียบเทียบทางศาสนาคำถามแรก ตามมุมมองของพุทธศาสนาเห็นการฆ่าตัวตายเป็นเรื่องผิดหรือถูกในเมื่อพุทธศาสนาให้เจริญสติเพื่อยุติการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งเท่ากับเป็นการลาจากญาติพี่น้องไปจนชั่วนิรันด์หากเชื่อเรื่องชาติหน้าการฆ่าตัวตายตามปกติยังมีโอกาสเกิดใหม่มาเจอญาติพี่น้องอีกแต่การฆ่าตัวตายจากสังสารวัตคือจบแล้วจบเลยไม่เป็นเรื่องใหญ่กว่ากันหรอกหรือ มุมมองตั้งต้นของคุณคือการมีญาติพี่น้องเป็นสิ่งดีการพลากจากญาติพี่น้องเป็นเรื่องน่าเศร้าโศกอะไรจึงกลายเป็นประเด็นคำถามที่ว่าการฆ่าตัวตายผิดหรือถูกเมื่อมองอย่างไรก็ยึดอยู่อย่างนั้นและก็จะต้องอยู่กับความเป็นเช่นนั้นเช่นกรณีนี้ยึดว่าตายแล้วเกิดใหม่เพื่อมาพบญาติเป็นของดีก็ต้องเกิดใหม่อยู่ร่ำไปทั้งนี้ก็ด้วยอาการที่จิตยึด จิตห่วงจิตอาลัยนั่นเองเนื้อหาของพระพุทธศาสนาเป็นไปตามมุมมองของพระพุทธเจ้าท่านไม่เริ่มจากการมองโลกนอกตัวไม่สนใจว่าการร่วมอยู่หรือลาจากญาติพี่น้องเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีไม่ตัดสินด้วยซ้ำว่าการฆ่าตัวตายเป็นเรื่องผิดหรือถูกเท่ามองเข้ามาในความเป็นมนุษย์ด้วยโจทย์สาคัญสูงสุดคือกายใจนี้มีอยู่ นับเป็นทุกข์หรือเป็นสุขกันแน่พระพุทธเจ้าจะยังไม่ตัดสินและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะยังไม่ประกาศว่ากายใจนี้เป็นทุกข์หรือเป็นสุขตราบเท่าที่ท่านยังไม่ค้นพบว่าบารมสุขเป็นอย่างไรผลปรากฏว่าชาาตรู่ของวันที่ท่านตรัสรู้แจ้งแทงตลอดท่านพบว่ามีอะไรอีกอย่างหนึ่งคือนิพพานเป็นข้อเปรียบเทียบได้อย่างดีว่า มีสิ่งอื่นที่ดีกว่ากายใจนี้เหตุที่สรุปได้เช่นนั้นเพราะอะไรเพราะนิพพานเป็นของจริงไม่เลอะเลือนไปบริสุทธิ์ไร้สิ่งปรุงประกอบให้เกิดการบีบคั้นไปสู่ความแตกดับไม่มีการอุบัติไม่มีการจบสิ้นไม่มีใครมาไม่มีใครไปผู้ที่รู้จักนิพพานอันเป็นบรมสุขยอมเห็นชัดว่ากายใจอย่างนี้เป็นทุกข์ เราเทียบกันแล้วต้องถือว่ากายใจเป็นของปลอมดำรงอยู่ครู่หนึ่งแล้วเลอะเลือนไปกลายเป็นอื่นจากสภาพที่ปรากฏอยู่รุงประกอบขึ้นเหมือนหุ่นกลที่ชิ้นส่วนต่างๆมาประชุมคุมรูปได้เพียงชั่วคราวตอนเกิดก็ร้องไห้แสดงความทุกตอนเจ็บไข้ได้ป่วยก็ร้องโอดโอยแสดงความทุกตอนตายก็ร้องครวญครางแสดงความทุกแม้ตอนมีชีวิต ยืนเดินนั่งนอนตามปกติปากไม่ร้องแต่ท้องก็ร้องอยู่เรื่อยๆต้องหุงหาข้าวปลาใส่ท้องวันละหลายรอบแสดงว่าทุกข์อยู่ตลอดเหมือนกันตัวคุณก็เป็นทุกข์ญาติของคุณก็เป็นทุกข์ตายดีก็เป็นทุกข์่าตัวตายก็เป็นทุกข์ต่อเมื่อไม่ต้องเกิดไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องหิวกระหายเลยแบบนิพพานแท้นั่นแหละจึงจะเป็นสุขถ้าคุณไปนิพพานได้ หรือถ้าคุณช่วยให้ญาติไปนิพพานได้นั่นแหละจึงจะพบของจริงด้วยกันไม่ต้องตายจากกันไปจนชั่วกะลาวสารย้อนกลับมาถึงคำถามที่ว่าผิดหรือถูกถ้าคาตัวตายคำตอบโดยสรุปคือผิดถ้าจิตเศร้าหมองเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อตายโดยจิตเศร้าหมองอยู่ทุกคติย่อมเป็นที่คาดหมายได้สถานเดียว และอะไรบ้างที่ทําให้จิตเศร้าหมองก่อนตายจิตของคนเราเศร้าหมองได้ด้วยเหตุสองประการคือ 1. กรรมชั่วที่สั่งสมมาปรากฏเป็นนิมิตเตือนให้สะดุ้งหวั่นไหวสอเศร้าโศกอะไรด้วยความผูกใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งกรณีของคนฆ่าตัวตายจะมีจิตเศร้าหมองตามข้อสองเป็นส่วนใหญ่และมีไม่น้อยที่ข้อหนึ่งเข้ามาผสมโรงด้วย โดยมากจึงต้องตกต่ำคงไม่มีใครบอกว่าการต้องตกต่ำลงการต้องเป็นทุกข์มากขึ้นคือทางที่ถูกทางที่ดีทางที่ควรชอบใจส่วนการเจริญสติจนทิ้งอุปาทานว่ากายใจเป็นตัวตนได้สำเร็จไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องมามีญาติพี่น้องอีกนั้นจิตผ่องแผ้วแน่นอนพราะนับแต่เป็นพระอระหันต์จิตไม่มีทางเศร้าหมองด้วยเหตุอันเป็นอกุศลได้อีกสว่างแล้วสว่างเลย และเมื่อจิตดวงสุดท้ายดับก็ไม่มีจิตในภพอื่นอุบัติขึ้นสืบต่ออีกสิ่งที่แต่ละคนทิ้งไปในยามตายสาหรับคนคนนั้นแล้วนะครับไม่ใช่ญาติไม่ใช่เชื้ออะไรหรอกแต่ละคนแค่ทิ้งสภาพทุกข์แบบหนึ่งไปสู่สภาพทุกข์อีกแบบหนึ่งมีแต่พระอรหันต์เท่า น, นั้นที่ทิ้งสภาพทุกข์ในรูปแบบสุดท้ายไปสู่บร ม, มสุขอันย่งยืนถาวร สรุปคือถ้าว่านักเจริญสติตั้งใจทิ้งทุกข์ทิ้งอุปาทานไม่มีใครตั้งเจตนาไว้ว่าจะฆ่าตัวตายหนีญาตนะครับในสังสารวัฏไม่มีใครเป็นญาติใครจริงอยู่แล้วชาตินี้เป็นพ่อแม่พี่น้องรักกันปานจะกลืนยังไม่ทันข้ามชาติยังทะเลาะเบาะแวง้งแตกแยกไปเป็นศัตรูกันได้และนับประสาอะไรกับการเกิดชาติใหม่จะเป็นอะไรได้แค่ไหนอีกก็ไม่รู้ กรรมคือแดนเกิดกรรมคือเผ่าพันุ์พวกเราทุกคนมีกรรมของตัวเองเป็นญาสนิทที่สุดเพียงคนเดียวนอกเหนือจากนั้นเป็นเพียงคนอื่นที่มาพบกันชั่วครู่แล้วต้องจากลาแบบต่างคนต่างไปตามเส้นทางกรรมที่ทำกันมาเท่านั้นพระพุทธเจ้าจึงเรียกผู้เข้าถึงนิพพานว่าเป็นผู้สามารถดับกรรมไม่ต้องเสี่ยงทุกเสี่ยงสุขเพราะกรรมอันทาด้วยความไม่รู้อีกแล้ว คำถามที่สองจะแน่ใจได้อย่างไรว่าไปนิพพานแล้วไม่ต้องเป็นทุกข์อีกไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกเหล่าพระอระหันต์ทั้งในอดีตและปัจจุบันท่านกล่าวตรงกันคือความรู้สึกคล้ายถูกตัดมือทิ้งไปแล้วมืองอกออกมายึดจับอะไรให้หนักไม่ได้แล้วก็ย่อมรู้เฉพาะตนว่าไม่อาจยึดถืออะไรให้หนักได้อีกแล้ว ก็เมื่อพบที่อยู่ตรงหน้ายัางไม่ยึดตายแล้วจิตจะยึดพบอื่นไหนได้อีกพวกท่านรู้ความจริงนี้ก่อนตายไม่ใช่ตายแล้วค่อยรู้แม้คุณยังไม่เป็นพระอระหันต์แต่ถ้าฝึกเจริญสติไปก็ย่อมเห็นได้ว่าแม้ยังมีมืออยู่ก็ไม่ยึดแน่นไม่จับแน่นเหมือนเมื่อก่อนวางอะไรได้ก็รีบวางปล่อยอะไรได้ก็รีบปล่อยนี่แหละของจริงที่เห็นประจักษ์ได้เฉพาะตน ใกล้เคียงกับพระอาหารหันต์กว่าปุถุชนคนธรรมดาที่ไม่ได้รับการชี้แนะจากพระพุทธเจ้าครับ